สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่มาส t ต r c h e f Junior ประเทศไทยค่ะเราพ้นหาเด็กผู้มีใจรักในการทำอาหารจากัวประเทศไทยอายุ8ถึง13ปีกว่า 2,000 คนคัดเลือกจนเหลือที่18คนสุดท้ายนั่นก็คือน้องๆทุกคนที่อยู่ในที่นี้แต่เรามองหาเพียงแค่1เดียวเท่านั้น ที่จับเหมาะสมกับตำแหน่งมาสเตอร์เชฟจูเนียร์ประเทศไทยเป็นอะไรการนักหนาะผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลห้าแสน 5, บาทได้อีกดึงรางวัล น, นะครับอันสมคุมค่ามาสเตอร์เชฟ r o p ฟี่คุวยรางวัลแห่งเกียรติยศ ด, ด้านอาหารที่ดีที่สุดในโลกครับพี่บอกเชื่อนะคะว่าที่เด็กๆเข้ามาในมาสเตอร์เชฟคิดเช่นแห่งนี้เพราะต้องการสิ่งนี้ใช่ไหมคะ Ah, gunpowder match share.